นี่ความสกันทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสิริมงคลการสร้างคุณงามความดีทั้งพระทั้งชีก็มาพ่อเพียงทั้งคารวาดยัดโยมก็มาพ้อเพียงซึ่งจะได้ทำการหล่อองค์พระพุทธ ร, รูปองค์แท น, นองพ่อโสธรจำลองได้รับความเมตตาจาก 3K แบตเตอรี่คุณโยมด็อเตอร์เมสี 3K ท่านเป็นประธานใหญ่ให้ที่จะได้สร้างบุญใหญ่วันนี้ก็คารวะญาติโยมก็พากันมาเยอะเห็นแล้วก็ภูมิใจมีความสุขสนุกทำบุญบุญสมมุติเราก็ทำบุญไมุมุิเราก็ทำ การขัดเก่ากกิเลสเราก็ทำดำเนินตามคำสอนของพระพุทธองค์ไม่ว่าจะอยู่ในอิรยาบทไหนยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเราพยายามวิเคราะห์พิจารณารู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงในกายของเราซึ่งมีกิจบิญ ญ, ญาณอาศัยยุคอคือตัวใจของเรานั่นแหละมามาสร้างกายขึ้นมามาอาศัยยุ เราก็จเจริญสติเข้าไปอบรมใจของเราอะไรที่จะเป็นบบนอะไรที่จะเป็นประโยชน์อะไรที่จะเป็นกุศลฝากเอาไว้ในแผ่นดินฝากเอาไวใ้ให้เป็นสมบัติของส่วนรวมฝากเอาไว้ให้เป็นสมบัติของส่วนกลางพวกเราก็มีโอกาสได้มาร่วมได้มาช่วยกันก็คงจะเป็นพรุ่งนี้ประมาณสักสามโมงกว่า ก็จะได้ทำพิธ <S an> ีหล่อหลอมเทองค์พระปฏิมากรหรือว่าพระพุทธรูปซึ่งเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าพขอขอบอกกัเรามนุษย์เราเทวดาทั้งหลายมาช่วยกันมายังประโยชน์ให้ถึงจุดหมายกันพวกเรามีโอกาสมาก แล้วก็มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระธรรมไตเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกรรมแล้วก็มีศรัทธาก็ให้เกิดปัญญารู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงอย่าเป็นศรัทธาที่หลงงมงายศรัทธาในคําสอนของพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องชีวิตสอนเรื่องการดําเนินชีวิต ว่าการเกิดมาทำไมท่านถึงว่าเป็นทุกข์ก็กายของเรานี้แหละก่อนทุกข์ความเกิดเกิดทางเนื้อเกิดทางหนังเกิดทางด้านรูปกายอย่นี้เขาเกิดมาแล้วถึงเวลาเขาถึงจะแตกดับถ้าไม่ถึงเวลาเขาก็ไม่แตกดับลึกลงไปในกายของเราอีกความเกิดความดับ ทางด้านจิตปัญญาเกิดอยู่ตลอดเวลาหรือว่าใจเกิดมีความคิดกระจายผขึ้นมาปรุงแต่งกันหลงใจของเราหลงความคิดก็เลยมายึดเอาขันห้าเป็นภพเป็นชาติถ้าเรามาเจริญสติลงไปสังเกตวิเคราะห์ทำความเข้าใจให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเราก็จะมองเห็นหนทางเดิน ใจของเราก็คลายออกจากขันห้าเหมือนกับงางของที่ควา่าใจก็จะว่างกายก็จะเบานั่นแหละคือตัวบุญตัวใจนั่นแหละตัวบุญแต่เวลานี้ใจเป็นบุญทั้งเกิดความเกิดนั่นแหละคือความหลงเพียงแค่การเกิดของจิตวิญญาณถ้าเกิดก็ขอให้เกิดอยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไวา้ไม่สูญหายไม่เสียหาย จะไปอยู่ที่ไหนเราก็จะทิ้งบุญทิ้งการจเจริญพภาวนามันทําความเข้าใจทําความเข้าใจกับภาษาโลกทําความเข้าใจกับภาษาธรรมอยู่ตลอดเวลาใจปกติเป็นลักษณะอย่างนี้ใจไม่เกิดเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่คลายจากขันห้าเป็นลักษณะอย่างนี้ความรู้ตัวที่เราจเจริญสร้างให้มีให้เกิดขึ้น ความพังเพล อ, อเราก็เริ่มต้นใหม่จนกว่ากำลังของสติปัญญาของเราจะเข้มแข็งจนกว่ากำลังสติปัญญาของเราจะเอาไปอบรมใจของเราได้ใช้ตัวเองเป็นเราก็จะอยู่กับบุญที่ท่านบอกว่าทากายให้เป็นบุญทาใจให้เป็นพระ จเจริญสติเข้าไปเยี่ยมพระอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทไหนเราก็ดูรู้ใจของเราใจของเรานั้นเป็นธาตรู้ความไม่เข้าใจเขาถึงหลงหลงเกิดหลงเป็นธาตุกิเลสกิเลสก็มีหลายอย่างกิเลสหยามกิเลสละเอียดมนทินไล่เรียงลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงการเกิดของจิตวิญญาณ ถ้าเราดับความเกิดได้หนุนกำลังสติปัญญาไปเกิดแทนทุกเรื่องทุกครั้งเราก็จะมองเห็นหนุนทางเดินห น, นทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้คนพบแล้วก็ออกมาเปิดเผยให้สัตว์โลกสัตว์โลกในที่นี้หมายถึงพวกเรานั่นแหละให้ประพฤติให้ปฏิบัติ ให้ทำความเข้าใจให้รู้จักสร้างอานิสงส์สร้างบุญสร้างบา ร, รมีบุญใกล้บุญไกลประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไก ล, ป ร, ไกลประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าวันนี้มีพรุ่งนี้มีเดือนหน้ามีปีหน้ามีพบหน้ามีเราก็จะพากันประมาศิจงพยายามศึกษาค้นควา้าอบรมขัดเกลา ดำเนินชีวิตของพวกเราให้ถึงจุดหมายไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วการสแสวงหาธรรมก็สแสวงหาที่กายของเราวิธีไหนก็ดีหมดขอให้ทำความเข้าใจในการขัดเก่ากิเลสออกจากกิจจากใจของเราจะปฏิบัติคำเคร่งมากมายถึงขนาดไหน เ, เราก็เพื่อที่จะละกิเลสก็เพื่อที่จะคลายความหลง เราคลายความหลงได้บ้างกันแล้วหรื อ, อยังถ้ายัางก็พยายามอย่างที่พวกเรามานี้เราก็มาสร้างบุญสร้างบารมีอยู่ในระดับคงสมมุติเป็นอนิสงส์แห่งบุญฝากเอาไว้ในแผ่นดินฝากเอาไว้ในใจของเราฝากเอาไว้ให้เป็นสมบัติของส่วนกลางฝากเอาไว้ให้เป็นสมบัติของส่วนรวมโอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิด พวกเราอย่าพากันมองข้ามในสิ่งเล็กๆในน้อยค่อยสร้างสะสมบุญสร้างสะสมคุณงามความดีไปเรื่อยๆทักวันหนึ่งกคงจะเต็มส่วนการเจริญสติการเจริญภาวนาเราก็ต้องรู้จักสร้างขึ้นมารู้จักวิธีการแล้วรู้จักแนวทางแล้วเราก็พยายามไปสร้างไปเจริญให้มีให้เกิดขึ้น ว่าพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอะไรคำว่าอัตตาอนัตตาเป็นลักษณะอย่างไรอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายในขันธ์ของเราเป็นลักษณะอย่างไรเราก็พยายามศึกษาทำความเข้าใจการศึกษาธรรมะก็ศึกษาในกายของเรานี่แหละไม่ได้ไปศึกษาที่ไหนหรอกไปศึกษาที่โน่นที่นี่ก็เป็นแค่เพียงไปหาประสบประการหาแนวทาง ถ้าเราอยากจะรู้ธรรม ะ, ะเราก็เจริญสติให้มีให้เกิดขึ้นแล้วก็อบรมใจของเราอยู่ตลอดเวลาจนใจของเราคลายจากขันธ์ห้าแยกรูปแยกนามได้เราก็จะเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์เข้าใจว่าพระพุทธองค์นั้นมีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงคำสอนของท่านมีจริงออริยศาสตร์ความจริงอันประเสริฐ ที่ท่านบอกก็ไว้ความจริงนั้นมีอยู่แต่เราพวกเราเข้าไม่ถึงความจริงก็เลยเป็นเพียงศรัทธาเชื่อมั่นในการสร้างบุญสร้างอนิสงส์แต่การเกิดก็ยังมีอยู่เราก็ต้องพยายามตราบใดที่ใจยังเกิดอยู่ก็ต้องพยายามมันสร้างคุณงามความดีอย่าไปทิ้งทำน้อยก็เป็นของเราทำมากก็เป็นของเราเห็นคนอื่นทำ เราก็พลอยอนุโมทนาสาธุด้วยเรารู้จักวิธีการรู้จักแนวทางกายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรกายทวารทั้งหทําหน้าที่อย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในกายของเราหมดกายของเรานี่แหละสนามรบอย่างดีที่สุดเราพยายามล้มแล้วลุก ข, ขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่ อยู่ตลอดเวลาจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้รู้ใจของเราที่ท่านบอกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนตนตัวแรกก็หมายถึงการจเจริญสติ ตนตัวที่สองก็หมายถึงใจนี่แหละถ้าเราจเจริญสติเข้าไปอบรมใจชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลมองเห็นหนทางเดินใจก็จะยอมรับความเป็นจริงการเกิดเป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิดการเกิดเป็นธาตุของกิเลสเขาก็ไม่เอาอเขาก็ไม่เข้าไปหลงเขา้าไปยึดผิดถูกชั่วดีอย่างไรสติปัญญาของเราไปแก้ไข ลงโทษตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราอยู่ตลอดเวลาสักวันหนึ่งเราก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกันที่พวกเรามาวันนี้ก็เป็นการมาสร้างคุณงามความดีมาสร้างอานิสงส์ให้มีให้เกิดขึ้นมาช่วยกันหล่อมาช่วยกันทำํำโดยอาศัยกําลังของผูกมีบนพวกเราก็มีมาร่วมในมาร่วมกัน ใครใครมาตั้งลงทานก็มาใครใครมาช่วยการช่วยงานก็มาบอกกล่าวทั้งเรามนุษย์ทั้งเราเทวดาได้ยินข่าวได้ทราบข่าวก็บอกกล่าวพี่น้องของเรามาร่วมกันโอกาสเปิดการเวลาเปิดถ้าทาเสร็จพวกเราก็ได้อนุโมทนาสาธุร่วมกัน อยาดยมท่านใดที่ยังไม่ได้เขียนชื่อเขียนนามสะโกนลงแผ่นทองหรือว่าก้อนทองก็อยู่ที่ประลำพิธีทางเข้ามามีหน่วยบริการให้อยู่ใครอยากจะมาร่วมบริจาค ก, ก็เชิญได้เชิญได้ทุกเวลาไม่ได้เลือกการเลือกเวลาใครใครอยากจะมาปรารถนาะอยากจะมาสร้างเกดีร่วมกับทางวัด ก็มาได้ตลอดเวลาทั้งด้านการสร้างเจดีย์ก็เพิ่งจะเริ่มขึ้นเสาก็คงจะอีกไม่นานไม่เกินห้าปีก็คงจะเสร็จพวกเรามีโอกาสได้มาสร้างตั้งกองบุญเอาไว้ให้กับแผ่นดินให้กับสถานที่ไม่ได้สูญหายไปไหนพวกเราจากไปลุ่นหลังก็จะได้มาสร้างมาสานต่อเป็นบุญกองใหญ่ ม, มา เพราะว่าเราได้วางรากฐานเอาไว้ดีได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาปฏิตฐานณสถานที่แห่งนี้พระบรมสารีริกธาตุจากส่วนที่ท่านเสด็จมาได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากคุณลุงทองดีมากมายมาเพื่อที่จะให้ปฏิตฐานให้เรามนุษย์ทั้งเราเทวดาได้กราบไหว้สักการะบูชากัน พวกเราจงภูมิใจในตัวเราแล้วก็แก้ไขตัวเราอยู่ตลอดเวลาอย่าเป็นทาตของกิตเลสอย่าเป็นทาตของความยึดมั่นถือมั่นมันขัดเกาวัน แ, แล้ววันตื่นขึ้นมาใจของเรามีความเฉื่อยสละหรือไม่ใจของเรามีความตะนนีเหนียวแน่นเราก็ละความตะนนีเหนียวแน่นใจของเรามีความกังวลหรือว่ามีความพุ่งซ่านก็รู้จักวิธีการ เ้าไปแก้ไขเข้าไปปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราสอนเราไม่ได้ก็คนอื่นก็ไม่สามารถที่จะสอนเราได้นอกจากรู้จักแนวทางแล้วก็ไปรีบทากายวิเวกเป็นอย่างงี้ใจวิเวกเป็นอย่างงี้ใจที่คลายจากขันห้าเป็นอย่างงี้ใจที่ละกิเลสกิเลสตัวหยาบตัวละเอียดหรือว่าตัวเป็นกลางตัวปันกลาง เราก็ต้องรู้จักวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลานั่งดูนอนดูยืนดูมันอยู่ตลอดเวลาเราก็คงจะเห็นสักวันถ้าเรามีความอยากความอยากนั่นแหละปิดกั้นตัวใจเอาไว้ความอยากนั่นแหละปิดกันกนนดก้นตัวบุญเอาไว้เราต้องพยายามตั้งตั้งสติคําว่ารู้ตัวอยู่ปัจจุบันในทางธรรมหมายถึงรู้ทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกจนเป็นอัตโนมัติ ค้นคว้าดูรู้เห็นตามความเป็นจริงจนหมดความสงสัยสติปัญญาของเราก็จะกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาจนกลายเป็นปัญญารอบรู้ในดวงจิตในรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในขันห้ารอบรู้ในปัจเจศีรอบรู้ในโล ก, กธรรมพยายามตักตวงสร้างบุญสร้างกุศลให้มีให้เกิดขึ้น ในกายของเราขณะที่กำลังกายยังมีความแข็งแรงอยู่ทั้งหมดกำลังกายแล้วก็หมดเรามีโอกาสมากที่สุดเรามีโอกาสทำมากก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเราเห็นคนอื่นทําเราก็พลอยอนุโมทนาสาธุด้วยเรามาตัดความกังวลความลังเลสงสัยต่างๆออกไปให้หมดทำใจให้เป็นบุญทำกายให้เป็นวัดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาสนุกยิ่งรู้ใจของเราเท่าไหร่ยิ่งสนุก กิเลสตัวไหนจะมาหลอกเรามา เ, มาเล่นงานเราเราก็รู้เท่าทันเราก็รู้จักละรู้จักดับกิเลสเกิดขึ้นเหตุจากภายนอกมาทำให้ข้างในเกิดหรือว่าเกิดขึ้นจากภายในเราก็ต้องแก้ไขทุกคนมีกิเลสกันหมดจะมีมากมีน้อยก็มีกันหมดบางคนก็เบาบางมาก่อนบางคนก็มาศึกษาค้นควา้ามาทำความเข้าใจใหม่ จงแก้ไขตัวเราจะ่าไปโทษคนโน้นจะ่าไปโทษคนนี้นนนมันไม่ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็รีบแก้ไขให้ถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วให้ไวไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วตราบใดที่เรายังนาเนินตามแนวทางของพระพุทธองค์อยู่ก็ต้องพยายามกันหลวงพ่อก็ขอขอบใจทุกคนขอบคุณทุกคนที่มาร่วมการร่วมงานอานิสงส์แห่งบุญจงประสบ ในความสําเร็จในชีวิตของทุกคนทุกท่านตลอดการวันนี้ก็ขอจเจริญธรรมเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความจเจริญกันวัดพรุ่ง น, นี้ก็คงจะเริ่มงานประมาณสักสามโมงสี่โมงนูง่นเพราะว่าต้องฉันข้าวก่อนที่จะได้มาลงมาข้างล่างก็คงจะมาประมาณมารวมกันประมาณสักสามโมงเช้าหรือเก้าโมงหลวงพ่ออุปชา ท่านก็จะมาเป็นประธานเป็นพิธีให้ทุกคนก็จะได้มีความสุขกันใครยังไม่ได้เขียนชื่อเขียนนามตระกูลลงแผ่นทองเพื่อที่จะลอล้อมเป็นองค์พระพุทธรูปก็ขอเชิญได้มีคณะกรรมการขอยอยู่พรุ่งนี้ก็จะได้มาเริ่มมาเทมาก่ะ จนกว่าจะเป็นองค์แทนของพระพุทธองค์ได้ก็เกิดขึ้นด้วยกำลังใจกำลังกายกำลังบุญของทุกคนด้วยอำนาจแห่งบุญของคุณแม่ศรีสามเเกงเป็นด็อกเตอร์คุณแม่คุณแม่ศรีขนาดอายุเยอะก็ยังเรียนสำเร็จจนได้จะเอาสักสามใบบอกว่างั้นนะได้มาละใบหนึ่ง จะเอามาทักสามวัยให้ได้จนกว่าจะอายุครบร้อยก็คงจะได้อีกหลายวัยนี่แหละคนมีความเพียรคนมีความเพียรคนมีบุญทำสิ่งไหนก็ย่อมจะสาเร็จไม่ปล่อยปะละเลยบุญสมมุติท่านก็ทำสถานที่แห่งนี้ท่านก็ได้ช่วยทางที่ดินซื้อที่ดินถวายให้ห้ารอยทุกคนก็มารวมมาร่วมกันจนได้เป็นสถานที่ ไอ้ก่อร่างสร้างมหาเจดีย์ฝากเอาไว้อีกไม่นานไม่เกินห้าปีก็คงจะสําเร็จก็ค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มีโอกาสเนี่ยได้ไปทํามหาเจดีย์ใหญ่อีกที่หนึ่งที่ปากทงชัยมีโอกาสก็จะได้ใหญ่กว่านี้สองเท่ามีโอกาสก็ไปร่วมไปช่วยกันฝากเอาไว้ทุกที่ขณะที่มีกําลัง ทางโน้นทางปักทุงชัยก็ได้ถมที่ขุดบ่ อ, อ, อไอ้ปลูกต้นไม้ตั้งโรงทานตั้งโรงครัวเอาไว้ทาทางนี้เบาบางก็จะได้ไปดูแลฝั่งทางโน้นในโอกาสโอกาสเปิดเราก็จะได้ช่วยกันนำอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปไวห้หลายจุดให้เป็นที่สักการะบูชาของเรามนุษย์ของเราเราทวดา ส่วนกิเลสเราเราก็ละเอานะเราจะไปให้คนอื่นเขาละให้ไม่ได้กิเลสอยากกิเลสละเอียดของเราเราก็ตรงละเอายิ่งฝึกไปเท่าไหร่กำลังสติมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นกิเลสเยอะตั้งแต่ยังไม่ได้ฝึกก็ไม่เห็นกิเลสกิเลสตัวไหนแล้วมันผุดขึ้นมาพอฝึกไปฝึกมามันก็ไปโทษคนโน้นไปโทษคนนี้อคติคนโน้นอคติคนนี้ นั่นก็กิเลสของเรานั่นแหละไม่ใช่กิเลสของคนอื่นเราพยายามรีบคำจัดขัดเก่าให้ออกจากกิจจ์ใจของเรามีความสุขในการดูในการรู้ในการทำความเข้าใจมีความพอใจยินดีในเพศในภาวะของตัวเองขณะอยู่ในเพศในภาวะของตัวเราเราไม่มีความโุรกใจวิ่งออกไปภายนอกก็เหมือนกับนกอยู่ในกรงมันวิ่งวนเวียนอยู่ เราพยายามมอบกายถวายชีวิตให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติขัดเก่าตัวเราให้ถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วค้นคว้าในตําราใบใหญ่ในกายของเราในขันห้าของเราว่ามีอะไรบ้างกิเลสหยาบกิเลสละเอียดมีหมดนะกิเลสมันเป็นหน้าตายอย่างไรอย่างไงก็นั่งนุ่งหม่มเหลืองห่มขาวตัวเป็นลักษณะอย่างนี้แหละบอกว่ากันนะกิเลสมันมีเยอะ มันเล่นงานเอาแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันหัวปักหัวปัม๊มตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราจงพยายามพลิกปัญญาใช้กิเลดให้เป็นประโยชน์กายของเรานี่แหละก้อนกินเลสใจของเราเกิดขมโลกขมโกรธอีกแล้วก็พยายามขัดเกลวหนุนกำลังใจไปในทางกุศลมองโลกในทางที่ดีคิดดีทดําดีก็มีความฉุกันเท่านั้นล่ะนะอาจจะเริ่นทำเอาแค่นี้แหละ เดี๋ยวท่านเจ้าคุณมีอะไรที่จะเล่าให้ฟังอีกให้คุณแม่สีมาถวายถวายพระไตแล้วก็สังฆทานปัจจัยเทธรรมนะให้หลวงพ่อยให้หลวงพ่อกล้วยนะอ่ะ่าปากันตะเกยรับพรกันอก็ให้มีความสุขกันทุกคนสถานที่ของเราแคบเป็นหน่อยนุง่ง วันพรุ่งนี้ก็รถยน์ก็จอดอยู่ที่ลานจอดรถหรือว่าเอาไปไว้ฝังทางตะวันตกเลยกำแพงก็ได้นะที่ว่างก็มีอยู่จะได้ไม่ขับแคบกันเท่าไหร่รถลาก็เข้ามาส่งกับข้าวกับปลาทางโรงทานได้จะได้ไม่ได้ลำบากญาติโยมก็พากันรับประทานข้าวปลาอาหารกันก่อนก็ได้นะมีโรงทานไหมตรงเนี้ยหรือว่าหมดแล้วเออเออมีอะไรก็ช่วยกันทา จะปล่อยให้อดแม่สีไม่ให้อดไม่ให้ยากยิ่งอดยิ่งยากไม่ให้อดไม่ให้ยากก็ยิ่งมีตั้งแต่ความเต็มความล้นล้นทุกอยาก่างล้นทั้งบุญล้นทั้งกุศลล้นทั้งคุณงามความดีมาฝากเอาไว้ทุกที่ไม่เฉพาะที่วัดของเราหลายที่ในประเทศไทยนิดแม่สีไปทำมาไว้หมด จุดไหนที่พอฝากเอาไว้ท่านก็ไปฝากนี่แหละคนมีบุญมาเกิดก็มายัางความสุขให้กับมหาชนให้กับคนทั่วไปไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลพวกเราจะไปทิ้งบุญดำเนินตามรอยของแม่สีสร้างบุญมาดีลูกหลานก็ได้ดำเนินตามลูกชายลูกเคยมีเท่าไหร่แม่สีจับมาบวชหมดเลยอขอมีความสุขความจเจริญกัน ยอดโยมที่มาจากกำนัดเจริญเขาพากันทานข้าวทานปลากันเด้อมีอะไรก็ดูแลน้องตาด้วยที่สารารวมญาติโยมหรือว่าใครอยู่ที่นั่นก็ดูแลด้วยนะเออ